า อ, อาจารย์ขอโอกาสอาจารย์วันนี้มีพระมหาเถระเข้นมานะครับผู้ใหญ่อาจารย์พระมหาปจวประสอนกรรมฐานมาฉลองประทา น, น, านของโอกาสผู้เกษายณโยมพวกเรามาฟังธรรมฟังธรรม เพื่อให้ได้แนวทางที่จะเอาไปปฏิบัติก็ทำ ม, มาเนี่ยถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัตินะก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ฟังเล่นเพิเือเสียเวลาด้วยซ้าไปถ้าฟังแล้วต้องเอาไปทำก็่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ก็ไปหาแนวทางปฏิบัติกันทั้งไม่ได้ไปคุยเรื่องอื่นตานเด็กๆไปวัดาสุ ก, การา ไปเรียนสมถะแบบท่านพอดีอันนั้นเจ็ดขวบแล้วก็ทำสมถทะมทาเรื่อยๆไม่มีครูบาอาจารย์ท่านอยู่ไม่นานท่านก็วรรณภาพไปเราก็เด็กไปหาครูบาอาจารย์ไม่ได้แต่ก่อนครูบาอาจารย์อยู่ใจมีสามเสียเวลาเปล่าๆไป20่กว่าวปีฝึกแต่สมถะล้วนๆเลยตั้งยี่สิบสปีซึ่งมีปรัชนาไม่เป็น แล้วมันมีแต่ใจอยากปฏิบัติอย่างเดียวนะทุกวันก็มานั่งกําหนดลมหายใจหายใจเข้าคู่สหาใจออกตัวทําอยู่เองได้แต่ความสงบบ้างความภูมิปัญญาบ้างก็เหมือนพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในโลกแล้วแหละปฏิบัติแล้วบางวันก็สงบบางวันก็ภูมิป้ญญมันก็วนๆอยู่เท่านี้เองตกเย็นมาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมสงบ พอรุง่งเช้าไปทำ ม, มาหากินทำงานแล้วพร้งใหม่คนเมียมนจงกระทั่งยี่สิบสามกรุณาสองห้าปีสองห้าคือได้ไปกราบหลวงปู่ดูลย์พอไปเจอท่านเน่ยเป็นเข้าไปถึงก็ไปกราบท่้นไม่ได้มีถวายดอกมองดอกไม้อย่างพวกเราอย่างนี้ไม่มีพิธีการไหนทั้งสิ้นตาไปถึงก็กราบอกหลวงปู่ผม อ, อยากจะปฏิบัติ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 ถ้าสอนตอบอีกประโยคหนึ่งอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองเพจริงหลวปู่ดูจะเป็นครูบาอาจารย์ที่แปลกทานสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันก่อนที่ท่านจะสอนใครจริงจังเนี่ยท่านจะหลับตาเงียบๆ เ, เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วสอนให้ประโยคน์ของประโยชน์นนไม่มาก ลูกติดของท่านรุ่นก่อนหลวงพ่ออย่างหลวพ่อมนตรีก็เลยเล่าให้ปับไปหาท่านไปขอจะไปฟังคำ น, นี้ท่นานหลับตายอยู่ข้างนั้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็สอบนี่พอท่านสอนหลวงพ่อบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตัวเองได้ฟังคำนี้แล้วมันเครื ใ, ใจเครื่องใจรู้สึกเรามีทางเดินต่อแต่เดิมทำแต่สมถะไม่รู้ว่าจะเดินต่ อ, อยังไง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 ครูดบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไป น, นี้อานจิตตนเองทดสอบแค่นี้เองเสร็จแล้วท่าถามว่าเข้าใจไหมบอกเข้าใจแล้วคัดมันปลื้มนะปลื้มก็รู้สึกเข้าใจทิเชียนไม่เข้าใจหรอกมันปลืมล้มท่านบอกเข้าใจแล้วไปทำเอาเต้องไปทำเอานะไปทำรับปากท่านผมจะไปทำเอากลาบลาท่านออกมาพอขึ้นรถไฟถใจไหนเลย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 ถ้าความรู้สึกตัวแท้ๆเกิดขึ้นสติแท้ๆเกิดขึ้นจิตใจมันจะถอด ถ, ถอนตัวเองเออกมาเป็นคนรู้คนดูรุ่นหลังๆนี่จะสบายกว่าหลวงพ่อเยอะรูบาอาจารย์แต่กอนเนี่ยเขี่ยวเข็นทรมานรูกติดมากท่านทรมานเอาไว้เพื่อไว้ทํางานต่อแบแบต่เรียนอย่างยากลําบากมันทาให้เราเห็นสภาวะที่เราต้องคอยรู้คอยสังเกตมากมารุ่นหลังๆคล้ายๆเรียนแบบเรียนรันะ เป็นเรียนรามอะไรนี่นะมีติวเตอร์อยู่หน้ามหาวิทยาลัยเยอะแยะติวข้อบต่อกันก็ ง, ง่ายหน่อยแต่ง่ายแล้วมันจะขี้เกียจนะไม่ค่อยใจสู้เท่าไร่กรรมฐานต้องใจสู้มากกัดแ น, น่ปล่อยนี่ประจิตมันแยกออกจากผู้รู้จากสิ่งที่ถูกรู้มันแยกออกจากกันไอ้แป บ, บเดียวนะเสร็จแล้วมันก็ไปรวมกันใหม่โห อ, อ, อดทนมากนะในการตามรู้ตามดูอีกักนิดหนึ่งรุดออกมาสองามแป๊บเอง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 ถ้าปรับเป็นก็กลับได้เหมือนกันนะเช่นดูดูไฟไปดูเทียนไปเพ่งกระสินจิตใจสงบขึ้นมาก็รู้จิตใจมีเพียรีก็รู้กลับมารู้จิตอย่างนี้ก็พอไปได้เหมือนกันแต่กรรมฐานส่วนใหญ่ที่พวกเราทำทุกวันนี้มเป็นกรรมฐานที่เรื่องด้วยกายด้วยใจเราก็ทำของเราต่อไปแต่ทาไปเพื่ออะไรพวกเราหลายคนอาจจะสงสัยเราก็ทามานานแล้วมันก็วนอยู่ที่เดิมเพราะอะไถึงวนอยู่ที่เดิมเพสติตัวจริงไม่เกิดขึ้น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 บอกว่าผมจะฝึกเดินจงกรมจะเดินยังไงผมวงพ่อเรียกเลยบองเอาออกมาเดินหน้าชั้นเนี่ยมีที่อย่าเนเออกมาเดินเลยให้คนเป็นร้อยเนี่ยดูแล้วก็ใจเด็ดนะไอ้หนุ่มเนี่ยลุกออกมาจริงลุกเดินก้มก้มก้มออกมาหลพ่ก็รีบบอกอย่าเพิ่งเดินรู้สึกไหมที่เดินมาสามสี่เก้าเนี่ยไม่ได้รู้สึกตัวเลยเพราอะไรเ้าคิดว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติ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 เป็นความปรุงแต่งปัาชั่วพอคิดเรื่องปฏิบัติก็เริ่มบังคับกายบังคับใจวางกองถึงถึงพวกเราเป็นไหมเป็นนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนี่พูดแบบเกรงใจนะเ ก, กือบร้อยละร้อยอ่ะคือนักวางกองต้องทําถืนให้มันจะดูสง่างามดีนะหน้านับถือหารู้ไหมว่าเดินช็อปปิ้งก็เดินตรงกรมไดนะ้เดินข้ามทางม้าลายก็เดินได้แต่อย่าไปเดินย่องย่องนะรถพับเอา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 ต่อมาฝึกปฏิบัติเข้านะจิตมันเป็นผู้รู้เด่นดวงขึ้นมานะส่วนเดญ่ก็จะลงแล้วอยู่ที่นี่เองถ้าสติปัญญายแก่รอบอีกหรือครูบาอาจารย์เคยบอกให้จะเห็นอีกตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ล้วนเลยตัวจิตก็ไม่เที่ยงตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ตัวจิตนั่นแหละตัวอนัตตาจิตปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตแล้วก็ถึงจะหมดภูลักษ์คามสสนาหมดความทุกข์กระตรงนั่นเอง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 เอาวั น, นี้เทศจบแล้วนะใครอยากกลับบ้านเชิญใครอยากจะกลับก็เชิญนะเชิญไนดะ้ไม่ว่ากันเมื่อก่อนหลวงพ่อมาทําในโรงคูณเรียนเทศนะต่างกันยี่สิบนาทีเ ก, กับบ้านเนาะอย่านี้อึดหน้าดูเลยแต่ส่วนมากไปเรียนที่หลวงพ่อนะไม่ไล่ไม่ยอมกลับนะส่วนมากก็ต้องไล่หลาเลยโหดึยหย่ยหน้าซ้ำๆก็ยต้องไล่แล้วไล่ไม่ยอมกลับ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 พอหลวงพ่อให้ถามนะตอนนี้จะไม่มีคนถามแต่พอเลิกแล้วจะมาถามส่วนใหญ่ที่ถามจะเป็นเรื่องติดสมถะนงนั้นเลยนั้นหลวงพ่อตอบเหมาเหมาเลยนะใครจะถามเรื่องสมถนะไป ห, หาหนังสืออ่านเอานะอลองถามเรื่องเจริญปัญญาบ้างมสมถะมันง่ายเพ่งน้อยนิ่งนิ่งมันก็ได้แล้วสมถะอ้าวใครจะถามคุณมวลเลอาไหมอ้าว่างไง ไม่มีก็เลิกเฉือนเฉือนอยู่คือคือตัวจิตเนี่ยเราจะเห็นอย่างแจ่มแจ้งนะตอนที่มรรคเกิดมย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 หลวงปู่มั่นเรียกขีดที่จิตแล้วแต่จำนวนนะสมเด็จพระยานสังวรท่านเรียกว่ามโนธาภิหริเรายังไม่เห็นหรอกเราะนั้นดูดูของครุงแต่งไปก่อนถ้าใครจะกลับก็เชิญนะไปยอยกันกลับไป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 ถ้ารู้ไปใหม่ๆเราจะรู้ได้แต่สภาวะหยาบๆนะต่อมาเราสภาวะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะพอละเอียดถึงที่สุดเนี่จะเป็นความไหวยิบๆๆๆยับยิบยนะัอยู่ข้งไหนแค่นั้นแหละแต่ว่าต้องระวังอย่างหนึ่งอย่าถลําลงไปจ้องมันเวลาดูมันเป็นระรไว ย, ยิบยับยิบยับนี่ยอย่าจ้องใส่เนะี่ยถ้าจ้องน้ํามันจะหดลึกเข้าอีกหนีลึก ๆ, ๆ, ๆอย่าลงไปตามนะอย่าตามเข้าไปหลวงพ่อสมัยหนึ่งปฏิบัตินเนี่ย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 อะไรนะร อ, อ๋อไปบวชสิแล้วหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังข่าวรัชกาลรักาลครัไหนไหนนนี <c oughs> น้ตนมาการของมาราารเป็นปที่มาว่าไปตอนมาะไบแล้วก็ว่าไแล้ว เออกระมานะโหติกรรมรตามดูดูอกรเยาดูแ่แ่ากดูอยู่ห่างๆดูอย่างสักว่าดูนะ ไม่ว่ารู้สภาวะอะไรนะอย่าส่งจิตเข้าไปแนบมันต้องดูอยู่ห่างๆอย่างตักว่ารู้ตักว่าดูถ้าคุณดูอยู่ห่างๆคุณจะเริ่มแยกสภาวะออกเอย่างสมมติว่าเรานั่งอยู่แล้วความปวดเกิดขึ้นเราจะเลยเห็นเลยว่าขาเราไม่ได้ปวดนะความปวดกับขาเนี่ยคนละอันกันขาเนี่ยอยู่เฉยๆขาเป็นวัตถุขาเป็นก้อนธาตุวัตถุไม่เคยปวดแต่ความปวดเป็นอีกขันหนึ่งอีกเป็นเวทนาขันนี้แทรกเข้ามาในขาแล้วก็เราก็จะเห็นอีกว่าจิตของเราอยู่ต่างหาก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 จิตเมื่อกี้โกรธตอนนี้รู้สึกจิตเมื่อกี้หลงตอนนี้รู้สึกอะไรเงี้ยเรารู้สึก เ, เดูให้เห็นว่ามันเปลี่ยนแป ล, เปลจจเ ง, เ, ง, ง เ, ไมไมเป็นอนิจจังพอาจารยระเด็นถามว่าสาวให้รเื่อจะรว่าวมิตปลอยวางโอยเพิ่งเรียนเลยนะเรียนแล้วเดี๋ยวจำเอาไว้คือจิตจะปล่อยวางจิตนะจิตต้องเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งสก่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 ใกล้มรณภาพแล้วให้พึกคักเึ้นฉับลันเลยนะท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เหมือนไข่ไก่เนี่ยเหมือนปองไข่เมื่อลูกไก่นั้นเติบโตเต็มที่แล้วจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองโอ้โหพูดห้่าหานฟางแล้วขนลุกเลยนะเราเข้าใจภูมิจิตภูมิธรรมของท่านเลยในกราบกราบท่านนะลงมา้างล่าง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 ท่านเห็นว่าจิตผู้รู้นี่ไม่ใช่อะไรของท่านเลยท่านยอมคืนให้ธรรมชาติไปเฉยๆสลัดทิ้งไปเฉยๆนี้นอาการที่เห็นอย่างนี้จะมีสามากนี่จาครูบาอาจารย์มานะเดี๋ยวจะมาเล่นงานสักอ้าวว่างไงค่ะแบบสาววันนี้จะสามาไ่ะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อค่ะที่กรุงค่ะ ก็ถึงถือรูปปฏิบัติมาทางหนึ่แล้วถึเมื่อสติเจรเกิดเนี่รูปปกิบัติใช้สุได้รับการทำใจนี่ถึงได้สุขนะถ้าสติตัวจริงเกิดเนี่ยจิตใจจะมีความสุขนะแต่ความสุขจะไม่บือหวาเหมือนปีติในสมถะนะมันจะมีความสุขโชยแผ่แผขึ้นมาจิตใจมีความสุขขึ้นมาถามว่าทาไมอยู่ๆแค่มีสติ ข, ขึ้นมาก็มีความสุขแล้ว เพราะอะไรเพราะว่าทันทีที่จิตมีสติจิตเป็นมหาปุสลล ต, จตสลจิตจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศ ล, ลมีความสุขนะมีความสุขโวยขึ้นมาหรืออย่างต่ำที่สุดเป็นอุเบกขานุ่มนวล น, นะไม่ใช่อุเบกขาแบบแข็งคื้นนะจิตใจจะมีความสุขแต่ว่าพอมันโชยขึ้นมาความสติเราเริรู้ลงไปก็สงบระงับลงไปแต่เขคุณต้องระวังนะสติยังไม่ดีนะยังหลงอยู่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 รุ่มนวนเรียกมุตุตาจิตจะต้องไม่มีนิวร์ครอบงำเรียกว่าควรแก่การงานมีกรรมัญตาไม่มีกิเลสแทรกจิตต้องปราดเปรียวคล่องวหวไม่แข็งไม่สึนไม่ชื่อนะจิตของคุณื้อือนิดนึงดวกไหมชื้อชื้อตัวนี้ยังไม่ใช่นะถ้าฝึกนะให้สติตัวจริงเกิดขึ้นมาเ้าคุณผู้หญิงนี้ อะไรนท่างที่ทำที่ไหนก็ได้ทก่างที่ทำทุกอย่าีมีามอันเนี่ยอนกับคุณได้ตั้งแตเด็กๆแล้วคุณทางแม่ก็ไม่คาก็วัดก็แบบโผล่โผล่เงิได้มากๆเราเป็วางใจเรื่องหน้าจะจาได้เพอยู่าาหาคนเลก็เลยแบบคิดอไรต่อง ท่านสองทาก็ได้งอนีก็ได้ริรู้อได้งย no ่าเิดขนเยานะ้กลยไม่หมดนะเพราะสติตัวจริงยังไม่เกิดขึ้นมา่าเต้องมอะไรที no? ่าเขพราะฉะนั้นต้องหันรู้สภาวะนะต้องหันรู้สภาวะไปเช่นใจเราใจเราลอยไปแล้วรู้ทันใจวิ่งมาที่หลวงพ่อรู้ทัน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 อยากพูดอีกแล้วรู้สึกไ้มอยากพูดคนไม่ไหวแล้วรู้สึกไหมอ่าไม่ต้องบอกก็ได้นะหงพ่ทราบแล้วอ่ะตอนนังจะบอกหลวงพ่นใจเต้นรูกนอามันตื่นเต้นนี่เราอย่าละเลยเล็กเล็กน้อยน้อยนะหัดรู้สภาวะได้่เรเราอย่าละเลยนะอ่าใช่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 เรารู้เฉพาะตัวเราไม่เล่าอออเอ อ, อ ง, งั้นอย่าคุยเยอะห้ามคุ ย, คยห้ามคลุกคลีเบื้อ <c oughs> ตอนพระเจ้าถึงห้ามคลุกคลี <c oughs> ไม่ง้คุ ย, ค ย, คยเราจะคุยไปเรื่อยๆพอคุยไปใจเราจะฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านเราจะเห็นสภาวะไม่ได้แล้วเวลานั่งสมาธิอะไรคืออยาว่าไนั่นนม่ได้เลยอยาน่งนั่งแล้วเ่่ไ้เลยวอถ้านั่งเล่นแล้วนได้นั่งจริงทนไม่ได้